ทังชีวิตต่างไม่โปรเจมิทั้มังชีวิตต่างไม่โปรเจมิสังขังชีวิตต่างไมู่เจมิพุทธทางวันธามิทั้มังวันธามิสังขังวันธามิ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 ธรรมังสารังฆจชามิสังฆังสารังฆจชามิทูติยามปอุทังสารังฆจชามิทูติยามปธรมังสารังฆจชามิ ภูติยามปสังขังสารังคจามิตาติยามปพุทธังสารังคจามิตาติยามปธรมังสารังคจามิตาติยามปสังขังสารังคจามิ ปานาติปาจาเวรมนีสิกขาปะทธังสัมมาทิยามิอารินาทานาเวรมนีสิกขาปะทธังสัมมาทิยามิอารามาจาริยะ เวรามนีสิกขาปัฏฐาสัมมาทิยามิมุสาวาธาเวรามนีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิสุรามระยะมะชะอมาตถานา เวรามิสิกขาปะทันสมาทิานิอิมานิัญจะสิกขาปะทานิทียานิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาทิานิอิมานิัญจะสิกขาปะทานิ สีเรณสุขสิ่ยันติสีเรณโพกสัมปทาสีเรณิพุติยันติทัสสะมะวิโสทานะโมตัสสะปะพาวะโตอ s หะสมาสสพุตัสสะนะโม สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพทังอาราธนานังคารมิธัมมังอารนานังคารมิ นัมการุณีนโมพุทธิสัตว์โตอากันติมายะอิติ阿婆瓦นโมทธิสัตว์โอากันติมายะอิตินโมพุทธิสัตว์โอาคันติมายะ นาโมพุทสากนโตโรมะอันโยนาโมพุทสากนโตโรมะอันโยนาโมพุทสากโตโรมะอันโยเยโอโโสโมหิตเตนาพุทัสสเมงบาปปะโตมายากรรมะตมิ กัตังโทสังสัพพะปปังสันตุโยโทโสโมหิต e นะธรรมะสันิปปะกัโทมายาขามะทมิกัตังโทสังสัพพะปะปังวินาสันตุโยโทโสโมหิต นาสังฆะเจาิปาปะตมายาภมาเจกาังโทสังสาปะพาปังไนาสันตนาโมตัสสภกวะโตอโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโม ตัสสะาคาวะโตอาระหะโตตัสสะนโมตัสสะปาคาวะโตอาระหะโตสมุตติตัสสะนโมโทตายาพระพุทธา a ะตนยา มามีนภารัตติสิสาหาสุธัตมะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาหากีทานังวารังคันธังสีวาริตามหาเถรัง อาหังว ah ah ah ันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโสภูฏะธรรมะสังฆะภูเสมินาโมพุทายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนปบรัศสีสาหาสุธัมมา พุตโตธรรโมสังโฆยะถาอุตโมนะอูทาบุชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิทางวะรังคันธ์สีวลีธรรมาเถรังอาหังวันทาณิตุระโตอาหังวันทาณิอาตุโย อังวันธานิอภิโสภูธาธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธตายะตนะยานนาโมพาราศีสาหาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาภูโณ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาขีทานังวะรัง ah คันธ ah ์ส ah ีวร ah ีจามาาเถระอาหังวันทาณิจุรตโยอาหังวันทาณิอาตโยอาหังวันทาณิสัพพโสบูธาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไทลักษณ์ญาณมามีนพรัตติสีหาสัสจรรมพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพูธาูชาธรรมะมชาสังฆามชาทิธางวรังคันัง สีวรีธรรมะเถรอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิอาติยโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเสนินาโมพุทธายะระพุทธายะตนะยานมานีโนภาะ สีสาหาสาสุธรรมะพุดุธรรมโมสังโฆยะถาปุโมนะปุถะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังตังศีวะริจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตโย อาหังวันทาณีสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระนัยานมะนีนอบารัตสีสาหาสุธัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกัรทางศีวิจารมหาเถรังอาหังวันธามิท ah ุรโตอาหังว ah ันธานิทาตโยอาหังวันธานิสัพะโสบูธาธรรมะสังฆูเทนิ นาโมพุทธยะพระพุทธไตรยตนัยญาณมาลีนพรัตต์สีสหัสสุธรมมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโนณปุถะบูชาธรรมะูชาสังฆบูชาทิธางวารังคัง สีวะริจามหาเถราอาหังวันทามิตุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพะโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเสนินาโมพุทธายะพระพุทธาไตยตระยานวะนีโนปรั สีสาหาชาสุธรรมะพทโธธรรมโมสังโฆยะธาพูทโมนะพูธะบูชาธรมมะูชาสังฆบูชาสีทานังวะรังันธังสีวริจมหาเถรังอาหังวันทามิจุลโตอาหังวันทามิอาจโย อาวัรทานิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไทายตระยานนาโนพรทัสสะสีสาหัสสุทังมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทาบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาพิทาหนังวะธรัมทันศีวารีธรรมะหาหังวันธานิธุระโตหาหังวันธานิทาตโยหาหังวันธานิสัพปะโสอุทาธรรมะธรรมะอุเชนี นโมพุทธายะรัตุทธายะตนะยานามีนอรัตสีสาหาสุทัตมาโคตโธธรมโมสังโฆยะถาภุโินะโคถาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทานังวะรังคันธัง สีวารีธรรมาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพปะโสโหาตหาธรรมะสังฆะอูเทนิเอาไปกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุ กำหนดไปที่บิดามารดาและโมย่าทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนเน่ยสัพเพโอทาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาภาลปัตจาจปจเจกานั่นจะยังภาง อลหันตานันจะเอเจหะรักขังอาปโสสาเปพุทธาสาเปธัมมาสเพสังฆาอาลาปตาปจกานันจยังพลังอลหันตานัจะเอเจนะรักขัง สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆะภาลพัตาปัจเจกานจายังภาลขันตานันจเตเจนารักขังพันธานิสพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆา อาตาปะเจกาณจะยังพลังอาฬหัมจารนจะเอเจนารักขังปังธานิสพพสสัเเอภุตะสัพเเธรรมาสัพเพสังฆาอาตาปะเจกาณจะยังพลัง ฮาลาหันตานาน่าเอเทนารักขังปันธามิสัพเพภูตทางอธิฐานิธัรมังอธิฐานิสังทังอธิฐานิ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 เทผุทา พุทธาสัตติธรรมาสัตติสังขาราระปัตจาระเจกาณันเจยังวะรังอาราหันตานันะเตเจงะรักข an ังมีสภาวโสพุทธังอธิฐามิ คมมังอธิษฐามิสามคงอธิฐามิเสร็จแล้ว วันๆห น, นึ่งเนี่ยเรามีทั้งบุญและบาป ท, ทั้งการกระทาและความคิดท่านให้รวมบุญเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวม รวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำรังรวมหลวงพ่อหูครับพ ม, มะปันโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน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 พระราพปัตาปเจกานันเจยังพรัองค์อาราหันตานานจะเตเจนรักขังนิสปะโสสาเปพุตตาสาเปธัมมาสาเปสังคา ปัตตาปเจกานันเจยังภารังอรหันตานันจเจเจนารักข ah ังปันธามิสปโสสุสเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาภารปัตตาปเจกานันเจยังภารัง อาหันตานันจเตสนารักขังขามิสัพโสสาเพกุตาสาเพธัมมาสาเพสังขาอาระปตาปเจกานันทิยังวะรัง อาระหันตานัจเทเจนะรากขังนีสัพพโสสาเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาภารักปะกาปะเกตานันทะยังวารังอารหันตานัจ เทเนาราถังนิสัพปสุทธตังอาธิธามมทรมมังอาธิธามมสังขังอาธิธาไม